Thank mm -hmm. you.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 คนหนึงทำไปทําไปได้สักพักเนี่ยก็หลบไปสู่บุหรี่แล้วสู่บุรี่แบบอ้อยอิงช้าๆพอสู่บุรีหมดมวลเราก็ค่อยเดินนะเดินเหมือนกับว่าจะเดินให้ช้าที่สุดนะมันจะได้ให้เวลาผ่านไปเร็วๆนะแล้วก็พอถึงพอกลับมาเกาะ อ, อีกก็เกาะ อ, อีกช้าๆเชยเนือยอีกคนนึ่งทำดู กระชับกระเชงหน่อยแต่หน้าตาไม่ค่อยมีความสุขทําไปสักพักก็ดูนาฬิกาว่ากี่โมงแล้วตอนนั้นมาประมาณสิบบ่ายสี่ในใจก็คงจะรอว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกงานเร็วๆอีกคนนึงนะคนที่สามเนี่ยทำกระฉับกระเชงกว่าสองคนที่เหลือเหงือนี่เต็มหลังเลยแต่ว่าเขามีความกระตือรือร้นมากเมื่อไปถามคนแรกว่าเขาทำอะไรเขาตอบกําลังก่ออิฐ ถามคนที่สองกำลังทำอะไรก็ตอบผมกำลัง ก, ก่อกาแพงพอถามคนที่สามเขาตอบว่าผมกำลังสร้างวัดครับในบรดาสามคนเนี่ยถามว่าใครมีความสุขมากที่สุดนะคนที่สามเนี่ยนะเขาตอบด้วยความภาคภูมิใจนะว่าเขากำลังสร้างวัดทั้งสามคนทำงานอย่างเดียวกันแต่สองคนแรกเนี่ยทำงานแบบไม่ค่อยมีความสุขนะทำไปก็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 แม้จะเราทแม้เราจะทำงานซักผ้านะทำงานกวาดขยะทำสวนนะทำอาหารทำครัวหรือว่าแต่กวาดพื้นทำความสะอาดอพื้นเนี่ยมันก็เป็นงานที่มีคุณค่าได้เหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสัก60สปีก่อนเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาตื่นตะลึงมากเพราะว่าพบว่ารัเสเซียเนี่ยเขาสามารถจะผลิตส่ง ยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกได้ส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกนะีชื่เอว่าสปุตนิกใครเทียมอายุสักห้าสหคงจําได้นะว่าอเมริกาว่ารัเสเซียเนี่ยนะเป็นประเทศแรกนะที่สามารถจะส่งยานอวกาศไปโคจรรอบโลกได้แล้วส่งดาวเทียมด้วยนะรวมทั้งนักบินอวกาศคนแรกก็เป็นชาวรัเสเซียนะกาการินดูริกกาการินนะอเมริกาเนี่ย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 วังมเมรินเนีพิการเนี่ยลืมบอกว่าพิการทางสมองเนี่ยมันมันส่งผลยังไงมันส่งผลทําให้เธอเนี่ยพูดไม่ได้ได้แต่เขียนแล้วก็เดินก็ไม่ได้ต้องนั่งรถแต่แม่พิการเนี่นะก็สามารถจะเรียนจบปริญญาเอกอัตมาไม่พิการแต่ว่าเรียนจบแค่ปริญญาตรีนะไม่มีปัญญาเรียนจบปริญญาเอกนะวังมเมรินทําได้ทําได้ยังไงนะอ่าเพราะเธอ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 สองพ่อแม่รักฉันสพระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสสี่ฉันมีแมวที่น่ารักห้าฉันมีเรียวขาวที่สวยงามหฉันวาดรูปและเขียนหนังสือได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันสรุปด้วยข้อสุดท้ายที่เป็นเคล็ดลับของความสําเร็จและความสุขสําเร็จในการเรียนและความสุขในชีวิตเือว่าฉันมองสิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มี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 สโมสรที่เขาสังกัดนี่ได้ได้แชมป์ทั้งนั้นเลยฝรั่งก็เลยสนใจอังกฤษสโมสร อ, อังกฤษดิวิชันหนึ่งสมัยนักเลือกดิวิชันหนึ่งยังไม่มีเพลย์แมลิกก็มาซื้อตัวซิกโก้ไปโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เมื่อส6 1หสเจ็ดปีก่อนและนี่ก็เป็นความฝันของซิกโกนะ้จะได้ไปแข่งบอลจะได้ไปแข่งสวมเสื้อสโมสร อ, อังกฤษดีเวชันหนึ่ง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 สองได้รถสมได้ภาษาสได้พัฒนาร่างกายห้าได้พบปะคนหลากหลายหได้ความคิดใหม่ๆ 7. เจดได้เดินทางท่องเที่ยวนะดได้สัมผัสลรกที่มีสีสันที่สุดในโลกเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นเสงเดียวคือไม่ได้เล่นเขาได้ต้อง8ดอย่างนะแต่ตอนนั้นเขามองไม่เห็น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 ให้แค่ขึ้นดอยหลวงนะแค่ขึ้นดอยหลวงโดยประเภทว่าแบกของเองเนี่ยหลายคนก็เยอะก็แท้ท อ, ท, อ, ท, อท้อแท้แล้วดอยหลวงเชียงใหม่นะภูก็ดึงก็ได้นะสูงแค่สองพันเมตรนะเรายังไม่ไหวหรือบางทีเราก็ท้อแต่คนตาบาดบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะปีนขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ทางที่งทีถ้าเขาพลาดเนี่ยเขาก็ตกมาตกเหวหรือว่าโดนหิมะทับตาย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 ใจก็เสียด้วยพอใจเสียมากๆกินไม่ได้น่อยไม่หลับสุขภาพก็เสียนะพอถึงเวลาทํางานทํางานไม่ได้งานก็เสียบางทีเสียเพื่อนอีกพอไปทะเลาะ ก, กันอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์บอดจอยเพื่อนมาหยอกมาเยา้าก็แต่ก่อนก็หยอกกลับแต่คราวนี้พออารมณ์ไม่ดีก็ด่าเลยพอด่าก็เลยการเป็นทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันจนกระทั่งไม่มองหน้ากันเสียเพื่อนอีกนี่เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองนะแทนที่จะเสียแต่งเงินก็เสีย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 เด็กมาคราวหนึ่งก็ประมาณสามคนบางทีก็ให้เด็กขนของอเด็กทำความสะอาดห้องเรียนหรือว่าเอาอาหารไปเลี้ยงมา้าแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาให้เด็กอายุประมาณสิบสองสิบสามเนี่ยสามคนเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมนึงคือว่าขนของขึ้นรถไฟรถไฟมันมีเวลาออกที่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นต้องรีบขนปกติว่าบ่ายวันนั้ น, นสมจิตจงจอหัขึ้นชกนะ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 ก็เลยรู้สึกว่าของเรามันไม่อร่อยของอ ร, อร่อยกินแล้วก็ยังทุกข์นะเพราะว่าไปเปรียบเทียบซื้อของเนี่เหมือนกันนะมีคนหนึ่งไปกับเพื่อนไปน้นบาซ่า เ, เดี๋ยวนี้มันคงเปลี่ยนไปแล้วนะเชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นตลาดคนเดินไปแล้วก็เห็นก็เห็นย่ามนะย่ามชาวเขาเนี่ยราคาห้าร้อยเขาก็ต่อเหลือสามร้อยเขาก็ดีใจนะ ไปถึงโรงแรมก็กะจะอวดเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยก็ไปซื้อย่ามอย่างเดียวกันเลยราคาห้าร้อยเหมือนกันแต่เขาต่อได้เหลือสองร้อยนะที่แรกดีใจใช่ไหมโอ้ฉันต่อได้สามร้อยนะพอรู้ว่าเพื่อนเขาต่อได้สองร้อยนี่เป็นไงที่เคยยิ้มในหุบเลยเนะเพราะอะไรเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วมีความสุขไหมไม่มีความสุขนะอันนี้เราหมอไม่เป็น